สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0 8 1 9์แปดหต่อไปนี้เสนอรายการทับซิดอัลกุรอานโดยอาจารย์มุนซิร์มันตีมอตอัลลบิลลาฮิมินาะลัตอนรราจีมบิสมิลลาฮิรฺราฮัยฮราฮอลัอลัฮัยฮฺอลลัยฮอลัยฮฺอฺลัยฮฺอฺลัอลัยฮฺอฺลยอฺลัอลั وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب شرعي صدر ويسر أمري وحل أقدام لسان يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل و َ ن ت تجعل ه ز ن إذا تسهل ร ب บบ نا ظلمنا أنفسنا وإلّم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربينا لا تزق لبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا ملذ ك ر ح م إنك أنت وهب رضيت بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا Um na na am am a l l a h u m m ن i n n ب n a ن u و u ن i k a min a l و a r o s i wa junun ا ل juzami w ا min s a y i ا l asqam amma bagh. Assalamu k u m r a h m a t u uh. l l a w a ب a k a t ขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองค์ลักษมณ์พระมหาเนะหัวตาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องที่กําลังให้เกียรติติดตามรับชมแล้วก็รับฟังในส่วนของรายการตับเซรุลกุรานทางวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันตินะครับแล้วก็ทางแอปพลิเคชันของมุสลิมไทยออนแอร์ตลอดจนในส่วนของแฟนเพจเ Facebook ของวิทยุเสียงอิสลามนะครับอัลฮัมดุลิลละวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ที่นี่ พี่น้องครับที่เดียวนะกับการพูดคุยในเรื่องราวของการตั้ซีรอัลกุรอานโดยเฉพาะ สิ่งที่ผมได้รับหน้าที่นะครับก็คือในส่วนของยุทสุดท้ายนะครับในยุทธที่30นะครับที่เราได้กําลังเรียนรู้กันอยู่ในขณะนี้นะครับทำดูแลพี่น้องครับเราก็ยังคงอยู่ในส่วนของสุรอัตตอริกนะครับวันนี้เราจะมาขึ้นกันในองค์การที่11นะครับแล้วก็ในองค์การที่12องค์การที่13บามไล่เรื่อยไปจนกระทั่งถึงอายะอันกุราน อ, องค์การที่17บองค์กรทีของสุรัตตอริกนะครับเพราะว่าในสุร้อนี้มีทั้งหมด 17องค์การด้วยกันแล้วก็นักวิชาการก็ได้หยิบยกนะครับตั้งแต่องค์การที่17จนกระทั่งถึงองค์อัคคอมาฟครับตั้งแต่องค์การที่11จนกระทั่งถึง17นั้นนะครับเป็นการอธิบายกลุ่มความหมายของอายอันกุรานในกลุ่มเดียวกันนะครับหวังว่าวันนี้เราจะได้จบในสุรอัตตอริกกันนะครับพี่น้องท่านใดที่มีอันกุรานอยู่ในมือมีอันกุรานแปลไทยอยู่ในมือก็สามารถที่จะเปิดไปแล้วก็ร่วมเรียนรู้กันไปพร้อมๆนะครับ ที่ในรายการนี้นะครับอินชาอัลลอฮ์พี่น้องครับเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะใครที่อยากจะประสงค์ร่วมสนับสนุนให้กับเสียงอิสลามในการที่จะดําเนินกิจการในเรื่องราวของการเผยแพร่งานศาสนาของอัลลอฮ์สุบฮะห์น้าหัวตลาต่อไปเชิญนะครับพี่น้องครับตามหมายเลขบัญชีที่ขึ้นเอาไว้ที่หน้าจอที่ท่านพี่น้องได้เห็นหรือพี่น้องได้ยินเสียงนะครับว่าหมายเลขบัญชีที่นะครับได้ประกาศให้กับพี่น้องได้รับทราบในทุกๆวันนะครับอ้าเราไปดูกันนะครับในองค์การที่ สิบเอ็ดของสุราอัลตอริกนะครับอูฎุบิลลอฮิมินัสชาตานุรรจิมวัสสัมวัสสแมอิดะติรรจิมวอลอารดิฎะติซัดะอินนัู่ล่กอุลฟาซลวมะฮูวบิลฮัซลอินนัหุมยาคิดูนคิดะ و a ق ي د ق ي د i فمهير الكافرين أ i ة, ه, الك ه ل و و ه م روايدا อัลลอฮฺ س ب ุ ا ن ะหัวตละลาได้กล่าวนะครับในองค์การที่11พี่น้องครับวัสสามารนะครับอัสสามารเนี่ยเราได้ยินกันบ่อยมาก นะครับยาร์นะครับวามัจารุธวัตสามาอนะครับยาร์วอมัจารุตทำไมเป็นยาร์ละ่ะนะครับเพราะวาว้าวาตรงนี้เป็นวาวกสัมหรือวาวสาบานที่อลัลลอฮซุบฮานะหัวตาลาได้สาบานกับท้องฟ้าอีกหนึ่งครั้งนะครับในองค์การที่ส1บอดนี้แปลว่าวัต ส, สมามียสาบานนะครับต่อ ชั้นฟ้าザติลซาติโรจนะครับที่มันนะาติคว่าซาติเป็นอิสมุนมจรนะครับแล้วก็อรโรจนะครับเป็นอิสมุนมาจรโรเช่นเดียวกันวสซมาอติรจ์บอกว่า อัลลอฮ์สุบตาระบอกว่าสาบานนะครับด้วยกับท้องฟ้าที่มันザตรแปลว่าหลังนะครับหรือว่าหลังาสายฝนหลังน้ำฝนออกมาจากาเบื้องท้องฟ้านะครับตรงนี้นใครอธิบายละ่ะนะครับไม่ได้เข้าใจเองหรือว่าไม่ได้แปลเองแต่อย่างใดนะครับคอธิบายตรงนี้ก้อยละบุอับบาสินท่านอับดุลลออิมนอับบาสได้อธิบายคาว่าอัลราจูตรงนี้ก็คืออัลมาตารู วนะอันหูหัวสหบุฟีฮิลมะตอรก็คือท้องฟ้าเมฆฝนที่มันหลั่งน้ำฝนลงมานะครับนะนะครับอัลลอฮุซุบหฮานะฮวตาลาได้กล่าวว่าซามาอีดาตอร์จก็คือตุมตีรุทุมมาตุมเติรก็คือฝนนะครับฝนที่ถูกหลั่งลงมาครั้งแล้วครั้งเล่านั่นเองนะครับท่านอิหมะมัลกตาดะได้อธิบายนะครับคำว่าตูร์เโอริสกลอิบะดิ กุลลอามินนะครับตูรจิอูตรงนี้นะครับอธิบายเป็นการที่อัลลอสุบหฮานะหัวตละลาได้ทรงประทานปัจจัยย่างชีพให้กับเบ่าของพระองค์ในทุกๆปีนะครับวลลาซาลิกะและฮลกูวะฮาลักะ มาวาชีมนะมาวาชีหิมนะครับก็คื อ, อสิ่งที่อัลลอฮฺสุบบฮานะฮุอัตละนะครับได้ให้มันเกิดขึ้นแล้วก็สิ่งที่อัลลอฮฺสุบบฮานะฮุอัตลาได้มันให้อันตรธานหายไปสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาได้ให้อันตรธานหายไปนะครับกับบรรดาอปะสุสัตนะครับอันนี้ก็เป็นคําอธิบายของท่านกอตาดาวะกอลบนูไซดินท่านอับดุลลอห์บินเจดนะครับนะท่าน นเซดได้กล่าวตุรเจา้านะครับนูจูมุฮาวะ ช, ช, ชัมซุฮาวะกอมารุฮานะตะตีตะตียะตนะตะตียันมินฮาหุนานั่นก็หมายถึงอัลลอฮซุบหฮานะฮูวตลาละนะครับได้ทำให้ดวงดาวนะครับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นะครับถูกนำมาณนะที่แห่งนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นการนำกลับนะดวงดาวดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ นะครับอันนี้ก็เป็นอีกคำอธิบายหนึ่งที่นะครับนักวิชาการได้อธิบายแตกต่างกันไปส่วนนะครับในประโยคต่อมานะครับคำว่า wal ร r i d i t h a tisadar คาว่า wal arid a l l subhanahu w ต taala ได้นะครับทำการสาบานอีกเช่นเดียวกันขอมาฟบครับ a l l ล h s u b h a n a h a taala ใช่ครับ Allah subhanahu wa taala ทำการสาบานอีกเช่นเดียวกันด้วยกับการใช้วาวนะครับวาวอัติฟ้าตรงนี้นะครับ เพราะอะไรล่ะวาวอติฟะเป็นวาวเชื่อมจากประโยคแรกนะครับให้ต่อเนื่องกันแล้วก็อิสมุนมจรูตและตกอยู่ในตาแหน่งของกรารอแสดงว่าตัวนี้อัลลอฮซุบฮานะฮวาต阿拉ใช้คำคำนี้วัลอารีก็คือและแผ่นดินนะครับและผืนแผ่นดินザตีนะตีเป็นอิสมุนมาจรูตนะครับอัซอดาอัซอดานะครับอัซอดอัซอดาู u, ตรงนี้นะครับแปลว่าอะไร งอกเงยนะปริออกแตรแตกออกนะครับตรงนี้หมายถึงอะไรล่ ะ, มะเมล็ดพืชมเมล็ดพันธอลัลลอฮุซุบาะฮิญะหัวตลักล่าวเอาไว้เนี่ยว่าอาร์ดิザติซอดะนะครับหมายถึงและแผ่นดินอลัลลอฮุซุบฮิญะหัวตลาดได้ทรงนะครับทำให้แผ่นดินแล้วก็มเมล็ดพืชมเลชมเล็ดพันธุ์มันได้แตกออกมันได้พริออกพริ อ, อ, รอะไรพริดอกออกใบนั่นเอง นะนะครับตรงนี้เป็นคำอธิบายซึ่งนักวิชาการโดยท่านอับดุลไลบ์นีอับบาสก็ได้อธิบายเอาไว้เหมือนกันนะครับว่าอนะินซีดาอ s ง a วนหวนซีดาออวันซิดาออฮาอานินนเบที่ก็คือการเจริญการปลีกออกการเจริญงอกงามของบรรดาเมล็ดพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆวกาดาลิกาไซดูบูจูเบรวะอิริมะวกับูมาลิกวดดะฮ h กวลฮัสนวลกัตตาดวสดดีวายรูวาฮิด นะครับแล้วก็นักกุตาการมุฟัซซิรีนในยุคสลาฟุสล่หลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นซอิดนะท่านซอีดอิบนุจุเบรอิกรีมาท่านมาลิกท่านอัดฮากอัลฮสซันนะครับท่านกอตาด้าและอิหมมอัสุดดีนะครั บ, ท, าาดดนะรบทั้งหมดนี้นะครับได้กล่าวอธิบายตรงกันเลยนะครับว่ากวลูฮูนะครั บ, ลนะรบแล้วก็คำของอลัลลซุบฮานะฮวาตลาที่กล่าวต่อไปในประโยคที่13ว่อินน่ฮูและกลุงฟั ว่าอิเอามีความอาฟขับไม่มีว่านะครับอินนาหูละกอลุนฟาสลุนะครับอ h นนหูฮาร์ฟูนัสบินวัลฮะและตัวฮาตัวนี้ Has รับฮาร์ฟูนัสบินนะครับอินนาูนี่อาดวาตุนัสอยู่ข้างหน้าเลยอินหน้าหูก็เป็นดามิตหรือคำสัรพนามุตตะซุลฟมะลนัสบิ น, น นะครัฟีมาฮาริเนสบินก็คือเก้าลุนตรงนี้นะครับดอมิดฮาอูหูเป็นสัพนามที่ถูกนํามาติดมันอยู่ในสถานะของอฟัดฮะนะครับแล้วก็อยู่ในตําแหน่งของอิสมุอินนาและเก้าลุนลามลามตัวนี้ก็คือลามเตากริดและลามอาราบตัวนี้นะครับเก้าลุนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอิสมุนมารฟูอนอ่านเป็นเก้าลุนนะครับไม่อ่านเป็นเกาลินนะเพราะมันคือลามเตากริดนะครับฟอสลุน ฟาสลุนก็คือซีฟะมารฟูอก็คือเป็นคำนขยายความคำว่าเกาลุนนั่นเองประโยคน์ี้ทั้งประโยค์ครับอัลลอฮฺสุบบฮานะหัวตะละกล่าวว่าอย่างไรอินนะฮูละเกาลุ f ฟาสลีแท้จริงนะครับะนะฮูแท้จริงฮูตัวนี้ก็กลับไปหากลับไปหาใครกลับไปหาอัลกุรอานกลับไปหาคำดำรั ของอัลลอฮฺซุลมัลตัลาซึ่งรู้ได้ยังไงครับเพราะคําหลังจากนี้คําว่าละวก็รุนนะครับอัลลอฮฺซุลมัลตาลาให้คําว่าก้าวลุนมาเน้นนะครับมาตอกย้ํามาเน้นให้รู้ว่าอินนาหูตัวนี้แท้จริงนะครับอันกุรอานนะ่ะคือคําที่อะไรคำว่าก้าวลุนล้ก้าวลุนคือคําหรือคือดํำรัดที่อะไรฟาสลุนนะครับที่มาคอยจําแนงที่มาคอยแยกแยะ มาคอยชี้แจงแถลงไขหรือฟัสลุนตรงนี้หมายถึงนำมาแยกระหว่างสิ่งที่เป็นความจริงกับสิ่งที่เป็นความเท็จนะครับอันนี้ก็คือหนึ่งในคำอธิบายที่นักกุชาการได้กล่าวเอาไว้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักกุชาการที่นะครับได้กล่าวว่ า, าอินนะหูละก้าลุนฟัสกอลับนูอับบาสินท่านอับดุลลาอิมนิอับบาสได้อธิบายเอาไว้นั่นก็คือฮักกุน หมายถึงสิ่งที่เป็นสัจธรรมความจริงว่ากาแดลิกาก้ละกตาดะดังกล่าวนี้ท่านอิหมัมกตาดะก็ได้กล่าวเอาไว้เช่นเดียวกันว่าก็ละอาคารุนะครับท่านอิหมัมท่านอื่นๆนักวิชาการท่านอื่นๆก็แปลความหมายของคำคำว่าอินนาหุลกัลลุนฟัสนะครับตรงนี้หมายถึงฮอรมุลอาดลุลคื อ, อข้อตัดสินที่ยุติธรรมนะครับข้อตัดสินที่ยุติธรรมนะครับ แล้วก็นักวิชาการก็ยิบยกนะครับในอายันกุราดองค์การที่14อธิบายต่อนึ่งไปเลยว่ามาฮูวะบิลฮัสลิว่ามาฮูวะบิลฮัสลิว่าอัติฟาวาวเชื่อมนะครับแล้วก็อักษรมิมอาอัลิฟมานะครับก็คือมานาฟิยะนะครับมานาฟิยะฮูว่านะครับมานาฟิยะตรงนี้ก็คืออะไรบิมันซิละติไลาซา ก็คือการเป็นการปฏิเสธไปว่าไม่นะครับฮูว่าคำว่าฮูมา่าดอมิรุนมุนฟะซรุนเป็นคำสรรพนามที่เป็นถูกวางเอาไว้โด ด, ด, ด, ดบิลฮัสลียาร์วามจาจรูตนะครับอ่านเป็นบิลฮัสลีไม่อ่านเป็นบิลฮัสลูประโยคนี้ทั้งประโยคครับว่าแม่ฮูว l าวบิลฮัสและอัลกุรอานนั้นมิใช่เรื่องอะไรที่มันไรสาระนะ อันควรเป็นการปฏิเสธนะครับว่ามาหัวอันกุรานนั้นมิใช่เป็นเรื่องไร้สาระแต่อย่างใดอัลลอฮ์กล่าวปฏิเสธเลยนะนะครับแล้วก็นะครับนักุิชาการก็ได้อธิบายเอาไว้นะครับอายูบัลฮัวหฮักุลนะครั บ, นะรบย ด, ดุลเป็นความจริงนะครับเป็นศัจธรรมนะเป็นความจริง ثم اخبر عن الكافرين لا นะแล้วก็เป็นการบอกกล่าวให้บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศัทธาทั้งหลายบิอันนะฮุมยุกัดิบูนะูวะยุดดิกูนะวะยสุดดูนะอันสบีลิ ให้เขาได้รู้ว่าแท้ที่จริงพวกเขานั้นปฏิเสธออกห่างจากแนวทางที่เที่ยงตรงของอัลลอฮฺซุบะฮานะฮุวตาัลลานะครับอันกุรานเนี่ยนะไม่ไม่ใช่เรื่องไร้สาระนะที่ท่านจะมาปฏิเสธที่ท่านจะมาะออกห่างจากสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องโกหกพกลมนไม่ใช่นะนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮวตัลละกล่าวต่อนะครับใน อ, องค์การที่ส5บห้อินนาฮุมยาเกดูนะไกดะ นะครับอินนาโุมอินนาฮารฟุนัสบินนะครับแล้วก็มีฮาอุมมิมโฮมติดอยู่ตรงนี้นะครับเป็นดอมิดเป็นสัพนามุตะาซูลุนฟีมาฮลรินัสบินะครับเพราะว่ามันคืออิสโอมอินนานะครับอินนาโฮมนะครับโฮมแปลว่าพวกเขานะครับเหล่านั้น นะยกายยกยกีดุนะครับฟียรลุโมดอริอนเป็นคำกิริยาในปัจจุบันการวาวุ่นจะมาะแล้วก็มีวาวติดด้วยดันอูวาวดูตรงนี้เป็นวาวนะครับวาววาวดอมีดวาวซึ่งเป็นสรรพนามที่ถูกติดอยู่ในสถานะ นะครับรอฟหรือว่าในสถานะรฟุนนะครับอ่านเป็นสระอูนะครับเยอรอบเป็นสาละอูเพราะว่ามันตกอยู่ในตําแหน่งฟ่ายอิลุนประธานในประโยคนั่นเองไกดะคาว่าไกดะเป็นอิสมุนมันซูปนะครับเป็นอิสมุนมันซูปนะครับดังนั้นในอายะฮ์อัลกุรอานองการนี้อัลลอฮฺซุบะฮานะฮุวะตาลานะครับได้กล่าวนะต่อเนื่องมาเลยนะครับว่าหลังจากที่อัลลอฮฺซุบะฮานะฮุวะตาลาได้นะครับ ได้อธิบายถึงอายะตอายะต่างๆก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ทำให้เราได้รู้ถึงการสร้างของอัลลอฮซุบฮานะฮุวตาลารู้ถึงเดชานุภาพของอัลลอฮซุบหฮานะฮุวตาลาและรู้ถึงวันกิยามะที่พระองค์อัลลอซุนตะลาจะทรงทำให้ สิ่งต่างๆที่เป็นความเ ล, เล้นรับต่างๆนะครับได้ถูกเปิดเผยนะครับแล้วก็มองเห็นนะตรงนี้เองนะครับนักวิชาการก็อธิบายนะครับเพิ่มเติมในองค์การต่อมาที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่นี้หลังจากที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาลาได้กล่าวนะครับถึงเรื่องราวที่เป็นการสรนางมนุษย์นะครับชั้นฟ้าแล้วก็สิ่งต่างๆนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮวะตาลานะครับได้หยิบยกนะ นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับพี่น้องครับอัลลอฮ์สุบบะฮานะหัวตาลาได้ทรงหยิบยกเรื่องราวนะครับต่างๆเหล่านี้เพื่อที่จะเป็นการบอกให้รู้นะครับวันนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์สุบบฮานะหัวตาลากำลังจะบอกให้กับบรรดาผู้ศรัทธาและบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุบบฮานะหัวตาลาได้รู้นะครับได้รู้ว่าอัลลอฮ์สุบบฮานะหัวตาลานั้นนะครับพูดเรื่องหนึ่งเรื่องใดและสัญญาเรื่องหนึ่งเรื่องใดเอาไว้เนี่ยแน่นอนแหะครับ น, นะครับอัลลอฮ์สุบบฮานะหัวตะลาเริ่มด้วยกับประโยคที่บอกว่ายังไงว่สสาสามัยดาเตอร์จนะครับก็คือหลังจากที่พระองค์ได้ทรงชี้แจงเรื่องราวต่างๆสภาพการต่างๆในวันแห่งการฟื้นคืนชีพเรื่องราวที่เป็นการลงโทษนะครับข้อเท็จจริงจากอัลกุรอานที่เป็นสัจธรรมความจริงแล้วก็อัลลอฮ์สุบบฮานะหัวตะลาก็ได้กล่าวว่าในวันนั้นก็จะเป็นวันแห่งการพิพากษาที่จะทําให้มนุษย์นะครับยอมสิโรราบยอมจำนนนะครับ อัลลซุบฮานะหวตาลได้เริ่มนะครับวัสมาอิดาติรสนะครับก็คืออยุกซิมบิสมาอิดาติลมตดก็คือพระองค์สาบานกับท้องฟ้าซึ่งมันได้หลั่งน้าฝนลงมานะครับจากฟากฟ้าอันนี้อยู่ในคาอธิบายของท่านอิบเจริสอัตตบารีวอารดีาติสซดาแล้วก็อัลลอซุบฮานะหวตาล์กล่าวถึงเดชานุภาพของอัลลอซุบะฮานะหัวตาลนะครับลมาดะคารลอัมรอัลุลอุลวยะนะครับี บา d i อันบิฮีหร s h โชรอฟิฮีอัตบะอู a ัลซุฟลาอัลลอบะฮวตละกล่าวนะครับถึงอะไรอะสิ่งที่เป็นการกล่าวสิ่งที่อยู่เบื้องบนสิ่งที่อยู่เบื้องสูงแล้วก็อัลลอฮุซุบะฮานะฮวตลก็ได้กล่าวนะครับต่อเ น, นื่องกันมาก็คือสิ่งที่อยู่เบื้องต่ำ นะครับกล่าวถึงนะสิ่งที่อยู่เบื้องต่ำเนี่ยหมายถึงอะไรครับอัลละฮ์สุบตาราได้ให้มเมล็ดพันธ์มเมล็ดพืชนั้นเนะจริญ ง, งอกเงยนะครับหลังจากที่ให้หลั่งน้ำฝนลงมานะครับเป็นการบ่งบอกถึงเดชานุภาพของอัลละฮ์สุบฮานะหัวตาลาวัลอารดิดาติสซาดะนะครับไอวอคซิมุบิลอารดิดาตินบิดาติ aza นะที่ anba ที่อัลลอฮฺสุบบะฮานะฮฺัลตาลาได่ทำการสาบดสาบานกับพื้นแผ่นดินที่อัลลอฮฺสุมตาลาได้ทรงทําให้มเมล็ดพืชมะเล็ดพันธุ์นั้นแตกออกเจริญงอกงามอินนัฮูละก้าลุลฟัสและพรอะองค์อัลลอฮฺสุบบฮานะฮฺอัลลอตาลาได้กล่าวต่อนะครับอายูอินนัลกุรอานะก้าลุลฟาลฟซิลุนยับซิลุไบนัลฮักิวัลบาติลอันกุรอานนั้นเป็นตัวจําแนกเป็นตัวแยกแยะนะครับสิ่งที่เป็นสัธรรมและความเท็จนั่นเอง ว่มานหัวบปล้๊ลนะครับรอัลลอ ا ه แะุตลาบอกว่ายังไงครับอยุว่า ليس ا ل ق ر บ ن باللع ب ا ل ล ع ب ي والباطلي ا ل ق و ل و ح ل و นะครับอันลกุรอานนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ของเล่นไม่ใช่เรื่องตลกนะครับไม่ใช่เรื่องเล่านะครับพบลมไม่ใช่ความเท็จแต่อย่างใดบัน้นแต่ทุกๆอักษรทุกๆคําในอัลกุรอานฮักกล นะครับเป็นสัจธรรมความจริงและเป็นสิ่งที่จะได้พบเจออย่างแน่นอนตามสิ่งที่อัลลอสุบหฮานะฮหัวตาลาได้สัญญาเอาไว้อ in ินนะฮุมยากีดูนะไคดาไออินนลกาฟิรีนะอินนะฮุมยากีดูนะไคดาอัลลอสุบบฮานะฮหัวตาลกล่าวเอาไว้ในองค์การนี้บอกว่ายังไงและพวกเขาก็อินนะฮุมยากีดูนะไคดาพวกเขากำลังวางแผนใคระ กำลังวางแผนก็บรรดาพวกที่อาพวกที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอ์ตาลารู้ได้ยังไงครับนักวิชาการอธิบายแบบนี้อินนะฮุมยากีดูนะไกดาก็หมายถึงอายุอินนัลกาฟิรีนัลโมกาซีบินบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาบรรดาผู้ที่เป็นาปฏิเสธต่ออัลลอ์สุบฮานะฮัตตาลและปฏิเสธต่อบิลกุรอานนี่อาปฏิเสธต่ออัลกุรอานของอัลลอ์สุบฮานะฮัตตาลายาคีดูนะพวกเขากาลังวางแผนเลยยาฟอนะบไกดฮิมอัลฮักกอัลลอ ุบฮานะหัวตละลัก็ได้ทรงอะไรนะได้อทรงนะครับกีดกันแผนการของพวกเขาด้วยกับการอบอกให้รู้ถึงสิ่งที่เป็นความจริงและสัจธรรมวายุอีดูนัลบาเตลและอัลลอสุบฮานะหัวตะละก็ได้ทำให้สิ่งที่เป็นความเท็จนั้นนะมันถูกลบล้างไปนะครับอัลลอสุบฮานะหัวตะละกล่าวต่อในองค์การที่16 Waakidu ู a ก da วะอาคไก ida พี่น้องครับ w a อา i d u w วาวนะครับาอาธีฟแล้วก็ไกวะอาค k i าคีกวะอาคีตรงนี้ก็แปลว่าเป็นคํากิริยาในปัจจุบันการไกด d อ i's มุ n man s ูบุประโยคนี้ทั้งประโยคเลยว a a า i d u ู a i da และเขาก็วางแผนการอยู่นะหมายถึงใครอะ่ะบรรดาผู้ที่ปฏิเสธองค์การขาองอัลลอตาอลลอนั่นแหละครับนะ ส่วนประโยคสุดท้ายที่อัลลอฮ์ตาละกล่าวฟามาฮิล์กะฟิรีนะอัมฮิลฮุมรุไวดะฟามาฮิล์กะฟิรีนะอัมฮิลฮุมรุไวดะนะครับฟามาฮิลคคำฟานะคัฟะอิสตาณ افي ยะเป็นฝีรุนอัมมาฮิลนะครับเป็นฝีรุนอัมลิอัลกาฟิรีนะอัลกาฟิรีนะเป็นอิส م ุนมันซูบนะครับมันซูบบินยานะครับ อัมฮิลฮุมอัมเฟียรุลอามรนะครับแล้วก็อัม uh, ฮิลนะครับเป็นเฟียรุลอามรเป็นคํากริยาสั่งใช้ฮุมเป็นดดมิรเป็นสัพพนามที่ถูกติดอยู่ใน uh, ตําแหน่งนัสับนะครับแล้วก็อยู่ในสถานะของมัสอูลุลบิฮิรูไวดาอิสมุลมันซูบุลประโยคนี้เขาว่ายังไงครับฟาหมะฮิลฮุมฟาหมะฮิลกาฟิรีนอัมฮิลฮุมรูไวดาแปลว่าดังนั้นเจ้านะครับมูฮัมหมัดเจ้านะจงอะไร ฟามฮิลหุมนะจงผ่อนปลนให้บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานะครับผ่อนปลนไปปล่อยมันไปนะครับอัมฮิลหุมรูไวดาและข้าก็จะผ่อนปลนให้แก่พวกเขา ในช่วงรัวัยดาระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นตรงนี้เองนะักวิชาการมุฟฟัซซีินอธิบายเพิ่มเติมนะครับบอกว่าตรงนี้คือสิ่งที่อัลลอสุบหฮานะฮวตะ์ะลาบอกเอาไว้อายุมะแกรุอายุยัมกูรูนาบินนาซีฟีดะอวะติฮิมอีลาคคลาฟิลกุรานี่นะครับบอกว่ายังไง บอกว่าแผนการของพวกเขาแผนการของพวกเขาที่มีต่อมนุษย์ในการที่น่าจะกีดกันในการที่จะขวางกัน้นในการที่จะทำให้อันกุรอ่านนั้น <c oughs> ดูหม่นหมองนะครับดูไรเครดิตไปนะครับแล้วก็นะักวิชาการก็ได้อธิบายต่อฟารมาเฮลิลกฟฟิรีนะตรงนี้นะครับอุออ่นะะนะครับอายุอันเดร์ม เวลาตัสศเจิลลหุมนะครับจงรอประวิงเวลาเอาไวา้รอคอยเอาไ ว, ว้เวลาตัสศเจิลหุมนะครับก็อัลลอฮุบอาลาลอฮ์แตาลาได้บอกให้ประวิงเวลาให้รอคอยเอาไ ว, ว้อัมฮิลหุมรูไวดะเวลาอายุกาลีละสักเล็กน้อยว่าตรอม า, า่ไอุผิดละบิหิมมินะอัลอาดับิวนากาลิวันะกบติ ati, วนะฮาลากิเขาจะได้พบกับการโดนโลงโทษการโดนอ่านะครับ บทลงโทษการโดนนะครับทำให้พินาศหายนะจากอัลลอฮฺสุบะฮานะหัวตาล่ากามานะครับกอลานะเหมือนกับที่อัลลอฮฺสุบะฮานะหัวตาลาได้กล่าวเอาไวา้นะครับในองค์การหนึ่งที่อัลลอฮฺสุบะฮานะหัวตาล่าได้กล่าวเอาไวา้นะครับฟาละตาจันอลัยฮิมอินนามานับุดุละฮุมอัตแดในสุรบมารยำนะครับแล้วก็อัลลอฮฺสุบะฮานะหัวตาล่าได้ขาดโทษแล้วก็เตือนพวกเขาเอาไวา้นะครับ นะว่านะอย่าได้อะไรนะ ป, ลปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปช่วงระยะเวลาหนึ่งชักนะช่วงเวลาสักเล็กน้อยนะครับแต่ว่าอัลลอฮฺสุบบฮานะฮฺหัวตาลาก็จะได้จัดการกับพวกเขานะครับซึ่งในประโยคนี้เองเอัลลอฮฺสุบบฮานะฮฺหัวตาลาได้จบอายะฮ์อันกุรานองค์การนะครับของสุรอัตตอริกด้วยกับการเหมือนกับเป็นการเยอื่อยัน เป็นการบอกกล่าวให้ได้รู้นะครับว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮาบะฮันะหัวตาลานั้นพระองค์ทรงประวิงเวลาให้กับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาประวิงเวลาให้กับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาทำไมะครับเพื่อที่จะให้เขานั้นได้หลงได้ละเริงนะครับอยู่กับสิ่งต่างๆที่พวกเขาได้ อะไรครับได้ปฏิบัติแล้วก็สิ่งต่างๆที่พวกเขาได้ปฏิเสธต่ออัลลอ์ซุบฮานะฮวตัลลาด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮ์ซุมตาลาได้กล่าวเอาไว้ในสุรามะรยยมบอกว่าอย่างไงครับฟะลาต้าจัลอะไลฮิมอินานามะนาอุดดูละหุมอัดาดังนั้นเจ้าอย่าได้เร่งร้อนอย่าได้รีบเร่งนะท่านนาบีอัลลอฮ์ซุมตาลากล่าวกับท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุวสัลลัมบอกว่าไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนะเป็นการอะไรครับประ ช, ประชดประชั ไม่ต้องรีบมูฮัมหมัดเจ้าไม่ต้องรีบร้อนเจ้าไม่ต้องรีบเร่งนะกับพวกเขากับพวกที่ปฏิเสธศรัทธาต่อเราอินนะฮุม ah um อินนะมาณอัลตุละฮุมอัดดาอัลลอฮุซุบฮานะฮวาตาลาบอกว่าไงแท้จริงเราจะนับคอยนับวันที่เหลือสำหรับพวกเขาแล้วด้วยกับการนับที่อะไรครับอัดดาที่แน่นอนตายตัว ไม่ต้องกลัวครับสัญญาของอลัลลอฮฺซุบฮฺบะฮฺนหัวตละลาไม่เป็นหมันอินนวะดลลอฮิฮักกุนแท้จริงสัญญาของอลัลลอฮฺซุบฮาบะฮฺนหัวตละลาจะเป็นจริงเสมอนี่แหละครับอายันกุรานองค์การนี้เป็นองคการที่อลัลลอฮฺซุบฮฺบะฮฺนหัวตละลากล่าวยืนยันเอาไว้ว่าพระองค์จะทรงคิดบัญชีกับบรรดาบุคคลที่ปฏิเสธ ศรัทธาต่ออลัลลอฮ์ตาลาปฏิเสธอั้นกุรอานคําดํารัสของอลัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาดังนั้นพี่น้องครับสิ่งนี้นะสิ่งที่เราได้รับจากอายะฮ์อั้กุรอานทั้งหมดเลยตลอดจนนะครับอายะฮ์สุดท้ายเนี่ยเป็นการบ่งบอกให้เรารู้ว่าสัญญาของอลัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาจะเป็นจริงเสมอ จะไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะคลาดเคลื่อนจากคำมั่นสัญญาของาาอัลลอฮฺา ب ح ا ن ه าละก็เึงนับนืนอศรัทธาที่จะไก่ละทิ้งศรัทาที่สอนใหละวกร้รัทราที่จะไม่ละทิ้งศรัทธาทีา่จะไม่ละทิ้งศรัทธาที่จะไม่ละรู้เท่าทนาทบบรรดาผู้ทิ้งศรัทธาทให้พวกเรานิ้นไศรเข้าทใใี่จะไม่ละพิ้งศรัทธาที่จะไม่ละทิ้งศรัทธาที่จะไม่ละทิ้งเรัาทีา่จนไม่ะทิ้งศรัทธาที่จะไม่ละทิ้งศรัทธาที่จะไม่นะทิ้งศรัที่ ไม่ยาวนะครับเป็นซูร์ร้์ที่ไม่ยาวแต่ นะครับให้ความเข้าใจนะครับเป็นเรื่องของวันแห่งการฟื้นคืนชีพและการโดนลงโทษและแผนการของบรรดากุฟฟาร์ดรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮฺานะหัวตาละได้อย่างละเอียดละอ่อทีเดียวดังนั้นวันนี้ครับเวลาของเราก็หมดแล้วซุรอตอัตอริกก็หมดแล้วนะครับอินชาอัลลอฮฺในครั้งต่อไปเราก็จะได้มาพูดคุยซุรอตต่อไปก็คือในซุรออัลลากั น, นะครับอินชาอัลลอฮฺติดตามกันนะครับสำหรับในรายการตับซีรุนกุรานวันนี้ต้องขออนุญาตจากลากับท่านพี่น้องครับ و ا ل ل ه u a l i u t t a u f i k w a n h i d a y a h w a s s a l a m u ที่จดไปแล้วเป็นอาจารย์มุนซิร์มันตีมอะผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ยูทู e ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์